ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะมาอีกแล้วนะคะทชั้นสันสินีนาคพง์ที่จะมารับโอกาสดีในแต่ละสัปดาห์คือการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เพียบุญอภิปุโนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้มากทั้งในด้านของประยัดแล้วก็ของการปฏิบัติท่านอยู่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดดอนทานีค่ะก็พลอยทาให้ท่ฉันนั้นได้รับความรู้เพิ่มเติมในระหว่างที่ จะถ่ายทอดความรู้ในี้ไปยังท่านผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ฟเอร้ที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยแหละนะคะเราไปกราบน้อักการท่านพร้อมๆกันเลยคะ่ะน้องนักการคะ่ะเชนปานท่านคะ่ะท่านเป็นพระมหาแล้วแต่ดิฉั น, นต้องกราบขอภัยที่ที่เรียกท่านดีเลไม่ค่อยได้เรียรบพระมหาสักทีคือคือตรงนี้ทําความเข้าใจนิดหนึ่งคุณยมเตียว อ, อย่างสมมติภิกษุเนี่ยนะภิกษุเนี่ย พอมาบวชในธรรมะในนี้แล้วพนะพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงว่าทิ้งชื่อทิ้งโคดเดิมหนะมายความว่าเครือญาติอะไรต่างๆเราก็ต้องสละออกนะทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆก็สละออกเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมุติว่าเราจะพูดถึงว่าพระองค์นี้ในอะย่างตัวามาเนี่ยชื่อไพบุญใช่ไหมนามสกุลเดิมบุษยารักษ์ชื่อเป็นฉายาตอนเกิดนะคือปกติเนี่ยเขาจะต้องเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาเรียกนะแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าอนันต์บุตรนะเป็นบุตรของ พ่อชื่ออนันต์อย่างเงี้ยนะเพราะตอนที่บางทียังไม่ได้ตั้งชื่อเราก็เรียกลูกคุณอนันต์ไปก่อนก็เรียกตัวนำมาว่าลูกอนันต์ใช่ไหมทีนี้ว่าพอมาบวชแล้วอุปชาให้ชื่อใหม่นะว่าอภิปุนโนะนะพอในราชตร์กูลนี้คือในราชวงศ์จักรีเนี่ยพระราชามีความศรัทธามีความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ไหนเนี่ยเรียนรู้บาลีภาษาบาลีที่เป็นพุทธพจน์ตรงเนี้ได้ถึงระดับหนึ่ง เด็กก็เลยเอมอบยศคือแปลว่ายศนะนะคือแปลว่าพระราชาเนี่ยมีอิสริยยศเป็นกําลังเพื่อทำไงเราถึงจะยกย่องคนที่เราศรัทธาได้ก็ให้ยศนะโดยให้ตําแหน่งเขาเรียกว่าเป็นยศมหา <คะ S 1> กับพระภิกษุที่มีความรู้นในระดับขั้นสามขึ้นไปภาษาบาลี <คะ S 1> แต่ตรงนี้คือราชตรกูลเขาให้พอราชตระกูลให้เด็กพวกข้าเจ้ราชบริพันธ์ข้าราชการทั้งหมดก็ต้องทําตามเด น, นี้ก็เลยต้องลงทะเบียนอะไรเป็นชื่อมหาไปเรื่องใหม่ไปแล้วงั้น แต่ว่าก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนเดิมยังมีศีลสมาธิปัญญาก็ต้องทำเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนะคะก็ได้รับความรู้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องทางคำนาหน้าชื่อพระนะคะว่ามีที่ไปที่มา<ช>อ ย, าาย่าอ่ด <ๆ S 2> คล้ายๆท่านขาขอประานโทษ น, นะคะคล้ายๆกับถ้าเป็นคนเนี่ยศึกษาจบปริญญาตรีเาเรียกว่าเป็นบัณฑิตปริญญาโทมหาบัณฑิตอะไรทำนอง น, นี้ไหมคะ อันนี้ก็คือเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาบาลีเฉยๆเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาบาลีซึ่งมันมีทั้งหมดเก้าระดับค่ะอถ้าผ่านระดับที่สามขึ้นไปตอนนี้ราชตระกุลเขาก็จะให้อยศที่เรียกว่าเป็นมหาค่ะแล้วถ้าเหนือกว่านี้ล่ะคะท่านคะเกินสามไปเรียนห้าปรเดียนเก้าอะไรอย่างนี้คือตั้งแต่สามถึงเก้าเนี่ยเรียกว่าเป็นมหาหมดอ๋อค่ะนะคะบางทีเรื่องดูเหมือนจะน่าจะทราบ ก็าอาจจะยังไม่ทราบก็ถือโอกาสทราบไปพร้อมๆกันท่านคะทีนี้เรื่องที่ต้องการทราบต่อไปเนี่ยดิฉันเชื่อว่าคนจํานวนมากทีเดียวแม้แต่กระทั่งคนที่ทำงานธรรมะดิฉันเห็นบางครั้งก็เข้าใจว่าคําว่ายานกับชาญเนี่ยเหมือนกันใช้ทดแทนกันได้จริงๆแล้วเนี่ยคําว่ายานโยหญิงสาราอานอหนูกับชอกระเช อ, ชอรชอ์ะคะอ่า นอนเรนหันหัวเข้าเหมือนมอม้าเนยนะคะชอกระเชอสรสละอาอนอหนูชาลและยานเหมือนกันไหมคะแทนกันได้ไหมใช้แทนกันได้ไหมเออพระบุรุษชาติตรัสอย่างนี้บอกว่าชานเกิดก่อนยานค่ะนี่เป็นพุทธพจน์ชาลเกิดก่อนยานนะี่ยานมาทีหลังนะชานคืออะไรชาลเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าการเพ่งการเพ่งเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยเอามาใช้แต่คําว่าเพ่งเนี่ย มันมีความหมายที่ลบนิดหนึง่งหมายถึงว่าเราจะต้องบังคับด้วยแต่จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงฌานนะโดยความหมายที่ถูกต้องเลยคือเอาใจจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง <Okay. S 1> นะเราเอาใจจดใจจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจิตก็จะเป็นอารมณ์อันเดียวเพรา ะ, ะนั้นความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนั่นคือสมาธิเพรา ะ, ะนั้นฌานก็คือสมาธินั่นเองฌานคือสมาธินั่นเองนะ oh. ก่อนที่คุณจะได้สมาธิ คุณต้องเจริญฌานก่อนนะคือคุณต้องเอาใจจดใจจ่อก่อนใจจดใจจ่อเป็นเหตุของการที่จิตจะมีอารมณ์เดียวพอจิตมีอารมณ์เดียวตรงนั้นเรียกว่าสมาธิค่ะอนะคะอะดังนั้นฌานอันนี้ก็จําง่ายเหมือนกันนะคะออกเสียงชอช้าง <ชอ S 2> จึงามาก่อนยอยักษ์ฌานมาก่อนยานเป็นพุทธพจน์พระพุทโธงตรัสไวใ้ใช่ใช่ฌานในที่นี้หมายถึงการเพ่ง ทางด้านของพระพุทธศาสนาคือการเอาจิตจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็นอารมณ์เดียวถูกดองเท่ากับสมาธิ ด, ดังนั้นทำสมการถอดออกมาฌานจึงเท่ากับสมาธิตู่ดองสาธุ ค, คะ่ะทีนี้อย่างสมมติเช่นเช่นอะไรบ้างเราอ่านหนังสือ ค, คุณเอาตาคุณเพ่งไปกับหนังสือหนึ่คุณอ่านไปเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องอะไรแล้วแต่แล้วก็คิดวิเคราะห์ไปตามเรื่องที่เขาเขียนใช่ไหมอันนี้คือฌานเลยนะฌานเลยนะ ค, คือการเพ่งแล้วนะ เพราะเเอาใจจดใจจ่ออยู่เรื่องเดียวอฝ น, นตกเราไม่เห็นได้ยินรู้เรื่องแม่เรียกไม่รู้เรื่องในอ่านหนังสืออยู่แมมกําลังมันมากเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่คือเอาใจจดใจจอ่อนี่คือฌานละที่เราเจอในปัจจุบันได้ค่ะฌานกับยานจึงไม่เหมือนกันโ อ, ไอน้ไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะอะทีนี้เจอฌานยังไม่จบนะฌาไม่จบค่ะทีนี้ฌานเนี่ยมันจะเราเราจะได้เป็นผลเป็นสมาธิเนี่ยอจะต้องอย่าไปบังคับมันมาก เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรากำลังพูดถึงการควบคุมจิตนะคุณโยมติว๋วคือถ้าเราเอาใจจดใจจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเราควบคุมเข้ามาควบคุมเข้ามาแต่นี้ถ้าเราบีบบังคับมันมากเกินไปมันก็จะไม่สบาย <Okay. S 1> มันก็คือจะเป็นดิดดิ่มก็จะไม่เป็นสมาธิอาพูดง่ายๆพ ร, ระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับถ้าเราจับนกกระจาบด้วยมือสองมือนะถ้าจับแน่นเกินไป น, นกกระต่ายถ้าจับหลวมเกินไป น, นกกระบินหนี นะคือถ้าเราใจเราไม่ไม่ทำให้มันมารวมลงเป็นเดนเดียวไม่ได้เอาใจจดใจจ่อไว้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไปทั่วอะไรคิดเหนือคิดใต้คิดคนนั้นคนนี้อดีตอนาคตกันนี้กระฟูซ่านก็ไม่ดีแต่ถ้าบอกว่าเราบังคับมันมากเกินไปต้องมาจอดตรงนี้บังคับตรงนี้มันก็ไม่ดีเพราะนั้นคําว่าชาญที่เขาแปลว่าเพ่งเนี่ยนะคือโดยสารมันแปลตรงตัวว่าเพ่งเนี่ยแต่คําว่าเพ่งมันมีส่วนลบที่ธรรมาพูดถึงว่ามันบังคับแต่แต่เพราะว่าคําว่าชาญเนี่ยมันไม่มีการบังคับ มันมีการที่เอาใจจดใจจ่อให้เป็นธรรมชาติโดยมีเครื่องมือเช่นเราใช้ลมหายใจบ้างบางคนใช้กสิณบ้างบางคนใช้เรื่องอื่นๆก็มีหลายอย่างค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือความหมายของคําว่าฌานพอสังเกตพอสังเกตจอสังเกตโอเคค่ ะ, ะแล้วยานละคะที่ท่านว่าไม่เหมือนกันเลยนะ่ะเป็นยังไงคะยานเนี่ยเป็นผลของฌานค่ะนะ่ะยานเนี่ยหมายความว่าเป็นความรู้ยานะ ญาณะญาณะนี่ก็คือความรู้ความรู้ยิ่งด้วยไม่ใช่รู้ธรรมดารู้ยิ่งเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจําได้ในหัวสมองนะคือคำนี้มันใช้สับสนในภาษาไทยอ่ะคือถ้าเราบอกว่าความรู้ความรู้คร้ความรู้นี่หมายถึงว่า knowledge หรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะความรู้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจําได้ในสมองแต่หมายถึงสิ่งที่เรารู้เข้าไปในใจเราแบ่งเป็นขั้นตอนกั น, นคือมีข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งมาผ่านหู นะข้อมูลนี้นะถ้าเรากรักรองแล้วไคร่ครวนแล้วจึงเป็นความรู้นะพอกรันกรองไคร่ครวนแล้วเป็นความรู้จำได้ในสมองอันนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นปัญญายานนะแตนะ่คำว่ายานเนี่ยหมายถึงเป็นปัญญานะแต่ปัญญาที่เรากำลังพูดถึงนี่คือปัญญาที่อยู่ในใจปัญญาที่เกิดจากการที่มันเข้าไปในจิตศั์นะอีกศับหนึ่งที่ท่านอธิบายไว้ก็ใช้ท่านก็จะเรียกว่าเป็นภาวนามายปัญญา ภาวนาเมญะปัญญาแต่สิ่งที่เราจําได้ในหัวสมองอันนี้ก็เรียกว่าจินตมยปัญญาเน่เป็นความรู้เฉยแต่ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมในจิตอันนี้ก็คือญาณที่หมายถึงตรงนี้คือญาณเนีะน่ะเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างเช่นว่าถ้าสมมุติจิตเราเป็นอารมณ์ัเดียวนีมีอารมณ์เป็นอันเดียวเป็นหนึ่งมีมีฌานแล้วนะถูกไหมฌานเป็นเหตุของสมาธินะเป็นอารมณ์ันเดียวแล้วนะมีฌานแล้วนะ สิ่งที่จะเกิดถัดมานั้นคือเราจะมีเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณ น, นะวิปัสนาญาณก็คือญาณที่เห็นตามที่เป็นจริงรนะเพราะอะไรเพราะว่าสมมติเราถ้าจิตไม่มีสมาธินะสมมุติเราไม่เคยฝึกสมาธิเอ่อเราเห็นสิ่งที่เราชอบจิตเราก็จะไปเกลือนกลัวชอบนะเทนสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะรู้สึกขยักขยงเกลื่องชังเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเห็นสิ่งนั้นโดยตามเนื้อผ้าของมันได้เลยเอาใหม่เอาใหม่เราฝึกจิตแล้ว เราทำตั้งสติแล้วเรามีฌานแล้วนะเรามีฌานมีการเพ่งมีการเอาใจจดๆๆแนละ้วจิตเป็นโรมันเดียวพอจิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเห็นสิ่งที่ชอบก็ไม่เข้าไปเกลือกลัวนะไม่ได้พุ่งเข้าไปหาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ได้ขยักขยแยงวิ่งหนีในะจิตแบบนี้คือดีแล้วนะเป็นเป็นอารมณ์เดียวแล้วไงต่อเราจึงสามารถที่ไม่มีอคตินะไม่มีอคติในสิ่งนั้นก็เห็นมันตามเนื้อผ้าได้ไดเลยสิถูกต้อง ในการที่เราเห็นมันตามเนื้อผ้าได้นี่แหละจึงเป็นความรู้เป็นผลในที่เกิดขึ้นมาเป็นวิปัสนาญาณเป็นวิปัสนาญาณเพราะว่าเราเราเห็นตามเนื้อผ้าเราไม่ได้ไปกึกไม่ได้ไปชอบหรือไม่ได้ไปไม่ชอบมันสิ่งที่เราเห็นตามที่มันเป็นนะครับว่าเห็นตามที่เป็นเนี่ยก็วิปัสนาเห็นตามที่มันเป็นว่าจริงๆมันเป็นยังไงเช่นกายของเราอ๋อจริงๆมันก็แก่ได้มันก็ไม่สะอาดเท่าไหร่ แต่เช่นกลยของเราอ๋อมันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากธาตนะุซะเปลี่ยนแปลงได้มีมาได้ไปได้ไได้เกิดโตขึ้นมาได้ด้วยข้าวสุกขนมสดเห็นตามนี้จบนี่คือยานอย่างหนึ่งค่ะเท่ากับว่าเราต้องเจริญฌานเพื่อ<ป>ที่จะให้เกิดยานถูกต้องถูก ต, ต้อ ง, ต, องต้องทำฌานเพื่อให้เกิดยานถูก ต, ต้องถูก ต, ต้องเ อ, เอาเอา ง, ง, ง่ายๆไม่ต้องเอาถึงขนาดว่าคุณต้องมีวิปัสสนาญาณอะไรกันตามเอาแค่ทำจดกับนิสสัต นักเรียนไปห้องเรียนอย่างเงี้ยคุณนั่งดูครูสอนนะีสอนการคูณเลขหรือสอนทำแคคูลัสอะไรก็แล้วแต่ยากง่ายไม่มีปัญหาถ้าเบอกว่าเราเอาไม่ไม่เอาใจจดใจจ่อในเรื่องที่คุณครูสอนนะเราจะไม่เข้าใจเลยความเข้าใจเนี่ยเป็นผลของการที่เราเอาใจจดจ่อในเรื่องที่ครูสอนคุณเอาใจจดจ่อในเรื่องที่ครูสอนเนี่ยเป็นชาญนะเป็นชาญเพราะ เ, าเราเอาใจจดจอ่อถูกไหม แล้วเราเกิดความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยเป็นญาณค่ะเนี่ยมันมันง่ายๆ่ายแค่นี้ค่ะแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบที่ว่าบางคนไม่ได้เข้าใจนะคะจําจําวิธีทํำอย่างนี้ไม่ใช่ญาณอย่างอย่างอยางอย่างบางคนบอกก็ได้ผลเหมือนกันเพราะจําครูมาครูว่าอย่างนี้ก็ทําแบบนี้หมดเลยโอเคก็ทําไปทําไปค่ะแต่อย่างญาณเนี่ยบางคนพอเข้าใจแล้วเพล๋อจะมีวิธีทําที่วิจิตพิสดารแต่ได้ผลเหมือนกั นั่นหลายๆครั้งเราเคยเห็นเด็กที่เออก็จจำไปจาไปอ่ะแต่พอทาไปเท่าสามรอบสีรอบอ๋อเพิ่งเข้าใจเข้าใจจากความจำเนี่ย ต, ตรงนั้นก็ะคือยานเกิดยานเกิดะะอตอนนี้ยังเพิ่งสับสนนะคะเราคุยกันอยู่แค่สองคำเท่านั้นเองหลักๆคือฌานและยานเกิดฌานก่อนไปเพ่งจนมีสมาธินะคะแล้วก็จะทำให้เกิดยานคือความรู้ยิ่ง รู้เข้าไปในจิตเลยใช่ท่นคะ <c oughs> ่ะคนทำนี่ก็ชักงงๆเหมือนกันนะครับว่ายากไหมเนี่ยฟังดูเหมือนยากนะเพราะว่าเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแบบชีวิตประจำวนันทำยังไงกันท่นคะทำจริงๆมันยุ่งยากซับซ้อนอืม ก, ก็อย่างที่พูดไปคือหมายว่าทาเนี่ยเพื่อจะให้ได้ผลแบบไหนถ้าต้องการแค่ว่านักเรียนเรียนหนังสือเข้าใจ อันนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วถ้าต้องการคิดว่าเราอ่านหนังสือแล้วเราก็รู้เรื่องเข้าใจตามหนังสือที่เขาพูดไอ้ตอนที่คุณอ่านมันก็ต้องมีฌานมีการเอาใจจอจอพอเราเข้าใจตามนึกความนั้นเอ้ก็เกิดญาณคือความรู้ที่ตามนั้นขึ้นมานี่คือในระดับทั่วๆไปค่ะแต่ฉันจำได้ว่าถ้าพูดถึงฌานเนี่ยจะปรากฏอยู่ในคาสอนอาณาปานสติถูกไมคะใช่ใช่ที่จะพูดถึงว่า ขั้นลำดับขั้นของชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสามชั้นสี่อ่าถ้าถ้าเราจะมาเฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้นะมันก็จะต้องมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัตินะเช่นพิมิชานมีอยู่4ขั้นเท่านั้นนะคะพูดถึงถูกต้องถูกต้องถูกต้องเอ่อต้องไล่ๆ่เป็นขั้นเป็นตอนกันทีนี้ว่าเอา่อสิ่งที่สิ่งที่เราจะเอาใจจดใจจ่อคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงที่พูดตรงนี้คือสัมมาสมาธินั่นะคือเอาใจจดใจจ่อไว้นในเรื่องที่มันจะต้องถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ า, าโจนล้วงกระเป๋าจนล้วงกระเป๋าเขาเอาใจจดจ่อจ อ, อยู่กับเหยื่อของเขาใช่ไหมแล้วเวลาที่เขาทำเนี่ยมันไวมากและมีสมาธิสูงมากแต่สมาธิเขาเนี่ยมันไม่ใช่สมาสมาธินะเป็นมิจฉาสมาธิค่ะเป็นการเอาใจจดจ่ อ, จอที่ไม่ถูกต้องเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเอางั้นเอาใจจดจ่อในเรื่องอะไรกันแน่เรื่องอะไรที่ไม่ควรจดจอ่อเรื่องอะไรที่ควรจดจอ่อ นะเรื่องที่ไม่ควรจดจ่อเลยคือความที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายนะแบ่งครึ่งนะสิ่งที่เป็นกุศลไว้ซีกหนึ่งสิ่งที่เป็นอกุศลไว้ซิหนึ่งโยนสิ่งที่เป็นอกุศลทิ้งไมให้หมดมีอะไรบ้างเช่นเรื่องของการผิดศีลทั้งหมดนะที่เราจะไปเพ่งเลง็งตรงนั้นไม่เอาโยนทิ้งไม่หมดเรื่องของนิวรความง่วงซึมนิวรณมีอะไรบ้างความง่วงซึมความเพ่งเล็งของเขาจงมาเป็นของเราความพยาบาทความคิดอาฆาตความงุนงงความที่แบบเครือบแคลงเห็นแย้ง ความที่จะฟุง้งซ่านตรงนี้โยนทิ้งไปหมดไม่เอาไม่ไปจดจ่อในเรื่องนั้นแล้วเหลืออะไรเหลืออะไรกร็เหลือความคิดที่มันจะไม่เป็นไปในทางการปยาบาติเบียดเบียนคิดเรื่องที่มันจะไม่เบียดเบียนใครคิดเรื่องที่มันจะไม่อคาา่าแค้นใครความคิดในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เช่นเราคิดว่าเราจะไปทําบุญที่ไหนบ้างเราคิดว่าเราจะวางแผนอนาคตอย่างไรเราคิดว่าเราจะช่วยคนนั้นยังไงบ้างแความคิดอย่างนี้นะได้ จิตให้มันอยู่่วนๆนี้ก่อนทีนี้จิตมาอยู่ในส่วนซนี้แล้วแล้วถ้าผัวมีความปีติมีบราโมดเกิดขึ้นมีปีติมีสุขเกิดขึ้นทั่วทั้งตัวไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวเลยที่ปีติและสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีอันนี้คือการที่เราเอาใจจดใจจ่อได้ถึงระดับที่หนึ่งคือชั้นที่หนึ่งนั่นเองค่ะมีปีติและมีสุข <Okay. S 2> มีปิติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนะอันจะกิบความวิเวก ค, ความวิเวกในที่นี้ก็คือจิตวิเวกจิตวิเวกในที่นี้ก็คือจิตที่ไม่มีความคิดในทางกางปฏิบัติเปลียนนะ <Okay. S 2> เราก็คิดแต่เรื่องดีๆแต่เป็นความคิดน ะ, ะความคิดที่เป็นคําพูดความคิดที่เป็นภาพบ้างนะนี่คือคือกรณีกรณีที่หนึ่งนะอย่างไรก็ตาม เ, เจ้าความคิดเนี่ยบางทีมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่า บางทีมันไปคิดเรื่องไม่ดีเพราะว่าในยีิบสี่ชั่วโมงที่เราคิดบางทีมคิดเรื่องไม่ดีมันก็โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยจึงเป็นข้อเสียที่อาจจะทําให้ไปคิดเรื่องที่ไม่ดีจิตตกใช่ไหมเอางั้นทําไงก็เลื่อนความที่เราจะมาจดจ่อให้มันมากขึ้นโดยที่แทนที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไปคิดเอยู่กับเรื่องเดียวให้จิตเป็นสมาธิตรงส่วนที่2อเนี่ยฌานที่2เนี่ยจึงเป็นสัพท์ที่พระเจ้าใช้ว่าเพราะความที่ปีติฌางหายไป นะมีแต่สุขมีแต่สุขที่เกิดจากการที่จิตเป็นสมาธิเนะสมาธินี่คือคุณเอาเรื่องเดียวไม่ได้คิดหลายเรื่องแต่คิดเรื่องเดียวพอ ค, นะคิดเรื่องเดียวแล้วจิตเป็นสมาธิตรงนั้นมีมีความสุขเกิดขึ้นในกายทั่วทั้งตัวนะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ความสุขอันเกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องแล้วไม่มีอันนี้คือขั้นที่สองนี้กระชานสองอ้าวลึกลงไปอีกลึกลงไปอีก นะว่าแทนที่เราจะคิดเรื่องเดียวเราเอาอุเบกขาอย่างเดียวแทนที่จะคิดเรื่องอะไรก็ตามแต่เรื่องเดียวเล้เรือกขั้นที่3ก็คือคิดเฉพาะเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวนะพอพอมีเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวมันก็จะมีสุขที่เกิดจากอุเบกขาอันนี้คืออันที่3นี่คือระดับที่3าอุเบกขาอุเบกขาหมายถึงอะไรอุเบกขาหมายความว่าการวางเฉยมีอะไรมากระทบจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นความคิดอะไรก็ตามจิตนั้นก็วางเฉยได้ ความวังเฉที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าอุเบกขาค่ะแตทีนี้พออุเบกขาแล้วมันจะมีความสุขที่เกิดจากในภายในไงมันมันจะขึ้นมาด้วยกันเพราะว่าเออเป็นความสุขที่เกิดจากการที่อกุศลธรรมมันน้อยลงมีกุศลธรรมมากขึ้นเป็นความสุขที่อิ่มอยู่ข้างในน ะ, ะซึ่งความสุขตรงนี้มันก็มีโทษเหมือนกันเพราะว่าเมันยังหยาบอยู่เอาเอาปาดความสุขตรงนี้ออกเหลือแต่อุเบกขาล้วนๆให้มันเล็กลงไปอีกซูมเล็กลงไปอีก อืเบคาร์ล้วนๆที่ไม่มีสุกเจร์นี่แหละจึงเป็นระดับที่สี่เรียกว่าชานที่สี่ะถ้าเราจะเปรียบที่ตรงนี้มันเหมือนกับเราเอาแว่นขยายมารวมแสงกุญยมติวจุดที่เล็กที่สุดเลยนี่คือชานสี่ซึ่งจะมีพลังงานมากที่สุดจุด ห, หัวไม่ขีดได้เผากระดาษได้ค่ะนี่คือชานมีอยู่แค่นี้เท่านั้นมีอยู่สี่ขั้นเท่านั้นใช่คือคือที่ลึกไปกว่านั้นเขาก็จะมันไม่มีอะไรจะให้เพ่งแล้ว งั้นเดี๋ยวดิฉันสรุปตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่าในการปฏิบัติถ้าท่านทําเพ่งไปเนี่ยมันจะเกิดตามลําดับอย่างนี้บางครั้งเนี่ยท่านคะดิฉันอยากจะทราบจากท่านที่เป็นผู้ปฏิบัติบ่อยๆนะคะสิ่งเหล่านี้นี่เกิดเร็วมากก็ได้ใช่ไหมคะใช่อยู่ที่ความชํานาญขึ้นอยู่กับความชํานาญไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องปถมไปปีแล้วเขาจะไปมัธยมขออภัยกับทุติยะ ทุเดียชาหรือตัดเยชาถูกไ้มคะ ข, ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอินทรีย์บารมีใช่ความชานาญค่ะก็เอาเป็นว่ารู้แล้วแหะว่าชาเนี้ยมีสีระดับแล้วอุเบกขาดีที่สุดนะคะมีพลังงานมากที่สุดเพราะว่ า, าสะอาดเหลืออยู่อย่างเดียวคืออุเบกขาไม่มีสุขไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยทีนี้ในรายละเอียดของยานนะคะท่านคะยานปริกไปอยู่ตรงไหน อายานก็คือหลังจากที่เราจิตเรามีอารมณ์เป็นอันเดียวแตนะไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวนไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะเพื่อที่จะรู้อะไรล่ะแตนะสมมุติว่าเราอาจจะได้แค่ชาตหนึ่งเรา จ, จะได้ชาตระดับที่1นึงมีความคิดนั่นนิโยนอยู่คิดเรื่องผมคนเล็บฟันหนังอยู่แนะนี่เป็นความคิดเลยเป็นระดับที่1เลยไม่ได้มีความการปยาบาติเบียดเบียนละเราก็น้อมจิตไปเพื่อที่จะเห็นตามที่เป็นจริง อันนี้ก็คือมีฌานนะมีฌานที่หนึ่งใช่ไหมอยู่ในใระดับนี้อาจจะไม่มีปีติสุขมีบ้างไม่ทั่วตัวไม่เป็นไรได้ไม่ครบไม่เป็นไรแต่ก็พอมีบ้างนะพอมีพอกินได้ก็น้อมจิตไปเฉพาะเพื่อที่จะเห็นตามที่เป็นจริงอันนี้ก็เรียกว่าน้อมจิตไปแต่คำว่าน้อมจิตไปเนี่ยจะไม่เหมือนกับการบังคับเอาคุณโยมติว๋วเช่นว่าถ้าเราจะบังคับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันมันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการฝืนแต่ คนที่จิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตนั้นมันจะอ่อนเหมาะอ่อนนุ่มคาว่าอ่อนหมอ่อนนุ่มเนี่ยเหมือนกับทองคำํำคิดว่าท่านผู้ฟังหรือคุณโยมที่อาจจะได้เคยเห็นต้องคำร้อยซหรือ9กเซนเนี่ยนะมันมันนุ่มนะคือคือไม่ใช่นุ่มแบบปุยนุ่นนะแต่ว่ามันงอนด้วยมือได้มันไม่ได้แข็งแบบก็เ<บ>รียกเราะมวลแต่แต่ยืดหยุ่นได้อ่าใช่ใช่ใช่ขึ้นรูปได้ง่ายเคำว่าใช้คํานี้ขึ้นรูปได้ง่ายตรงนี้เป็นลักษณะของจิตที่นุ่มอ่อนเหมาะ นี่เหมือนกับดินเหนียวที่กวนมาดีแล้วเนี่สามารถปั้นขึ้นรูปได้นี่แหละคือลักษณะของการที่น้อมจิตไปน้อมจิตไม่ได้บังคับเอานะไม่ใช่ฝืนเอาจิตแบบไหนถึงจะไม่ฝืนเอาไม่บังคับเอาได้ต้องจิตที่เป็นอารมณ์เดียวคือต้องมีฌานมันถึงจะฝึกได้ปรับได้แต่งได้ปั้แล้วน้อ ม, ปมอไปไหนคะท่านคะท่านบ็กไปผสมฌานแล้วน้อมน้มไปไหนกันน้อมในการเห็นตามที่เป็นจริงอันนี้อาจจมาทำอย่างนี้ เ <C HA> ช่นพิจารณาเห็นกครตามที่เป็นจริงพิจารณาเห็นความเกิดตามที่เป็นจริงพิจารณาเห็นเวทนาที่เราไม่ชอบใจตามที่เป็นจริงเท่ากับว่ามันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติถูกไหมค ะ, ะเป็นการที่เรารู้ตัวเรามีสตินนว่าขณะนี้ฌานเกิดแล้วอันนี้เราต้องมีคือถูกต้องต้องมีสติต้องมีสติอัน <C HA> นี้ก็เป็นธรรมชาตินะสติก็เป็นธรรมชาติอย่างนึ่งค่ะคือเหมือนกับว่าจะปรากฏสติที่ บอกตัวเองว่าเราควรจะน้อมไปไหรือยังไงคะท่านอาจารย์เออคืออันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะบอกคือหมายว่าเราต้องมีส ต, ติตั้งเอาไว้ค่ ะ, ะมีส ต, ติตั้งเอาไว้แล้วก็อาจจะต้องได้ศึกษาคําสอนของพุท ธ, ธามาบ้างว่าอ๋อมีชานแล้วก็น้อมจิตไปในการรู้เห็นตามที่เป็นจริงนะคือคือถ้าบางคนแบบว่าไม่ได้เคยฟังคําสอนของพุทธะเลยอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่มีประพุทธเาบาอุบัติขึ้นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ด้วยว่าต้องน้อมไปค่ะเรียนเข้าใจว่า มีการทําสมาธิทั่วไปหมดที่ไม่ใช่ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะอือก็หมายความว่าเขาอาจจะไม่รู้วิธีที่คือเขาอาจจะไม่มีอ่ากระบวนการต่อไปที่ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วให้ทําอะไรต่อในลักษณะที่น้อมจิตเข้าไปไปไม่ได้ใช่ใช่ไปไม่ได้ะคะ่ะ ท, ท่านคะทีนีอ้อันนี้ก็เท่ากับว่าแค่มีฌานแรกที่ยังเจือปนด้วยอย่างอื่น ยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่เนี่ยยังไม่มีกําลังเต็มที่ก็สามารถใช้งานได้แล้วมีกําลังในระดับที่มันมีอคุณคนอยู่ดีมามันก็บริสุทธิ์ในระดับที่มันเป็นนะนะะค่เพราะฉะนั้นน้อมไปเพื่อเห็นตามที่เป็นจริงอันนี้ก็คือเข้าไปสู่ฌานแล้วอสู่ญาณแล้วถูกมใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้ญาณเนี่ยนนมีกี่ญาณเหรอท่านคะท่ะานในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะค่ะมีมมทั้งหมดแปดอย่างเขาเรียกอภิน ญ, ญาแปเป็นยังไงบ้างคะท่านคะโอมันก็ อ่หนึ่งนะการวิปาาัสนาญาณใช่ไสองการที่จะเดินบนน้ำทะลุภูเขาเนะนี่ย a c t i สามการที่จะได้ยินเสียงทิพหูทิพทิพยจากสุอทาทิพยโสตาธาต์นะสี่จุดตูปปาปาตาญาณคือตาทิพในะการที่จะเห็นสัตว์ไปจุติอุบัตห้าบุเพนิวาสานุสติญาณ หกก็อาสวัขยายานเจ็นี่คือถอดกายอันนี้คือมาไม่ได้เรียนตามลําดับนะเจ็ดนี่คือถอดกายเหมือนกับการชักย่าออกจากเอาชักมีดออกจากฝักเป็นคนละส่วนกันแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเจโตปริยายา น, น, นคือรู้ใจของบุคคลนั้นว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรในใจโดยที่ไม่ได้ปากพูดอันนี้มีทั้งหมด8อย่างด้วยกันอันนี้ไม่ได้เรียนตามลําดับแต่นี้เขาเรียกว่าอภิญญาแปดหมายถึงว่าเป็นญาณ ที่เกิดขึ้นจากฌานสมาธิได้อ๋อคือมือนก็ว่าเป็นผลถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอาการที่น้อมไปเห็นตามที่เป็นจริงเป็นหนึ่งในแปดอย่างเป็นหนึ่งในแปดอย่างนะคะเนื่องจากเวลาก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วที่นั้นเข้าใจว่าคงจะมีโอกาสที่จะได้กลับเรียนถามท่านในโอกาสต่อๆไปอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เอาเป็นว่าทราบมาเป็นพื้นฐานและกันอยากจะให้ท่านช่วยกรุณาสรุปพอที่จะให้พอตัวเก็บเอาไว้เป็นความรู้ เพื่อเพื่องอกงามต่อไปในอนาคตค่ะก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้บอกว่าฌานเกิดก่อนญาณแต่ประเด็นฌานนี่ก็คือหมายถึงสมาธินะญาณเกิดที่หลังฌานนะญาณเป็นความรู้ที่เกิดเป็นผลของการที่จิตเรามีสมาธิเป็นอารมณ์มันเดียวนั่นเองใช่ปนนะคะก็จําไว้แค่นี้และท่านก็สามารถจะนําไปสู่การปฏิบัติได้แล้วนะคะเนี่ยคือเริ่มจดจอเพื่อทําให้เกิดสมาธิ แล้วเพียงแค่ปฐมฌานเท่านั้นท่านก็ น, น้อมไปที่จะรู้เห็นตามเป็นจริงได้ถูกต้องถูกต้องนะคะตามเป็นจริงนี่คือตามอาการที่ปรากฏขึ้นตามที่มันเป็นตามที่สิ่งสิ่งนั้นเป็นมันเป็นยังไงเราเห็นอย่างนั้นค่ะเดนเองมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าปฏิบัติมาหลายครั้งเนี่ยครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่เพิ่งรู้ว่าการปฏิบัติเนี่ย ต้องรู้ตามที่เป็นจริงโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาปฏิเสธสิ่งที่เขาไม่อยากเขาไม่ชอบอืนะคะเอาเป็นว่าก็ทราบเท่านี้ก่อนเพราะเวลาหมดแล้วค่ะท่านคะเลบานกล่าวณรงค์สการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเลบาน์ท่านผู้ฟังคะดิฉันเข้าใจว่าวันนี้เรากาลังคุยกันในเรื่องที่สําคัญมา ก, มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรายละเอียดของการประพฤติษปฏิบัติเพื่อให้เรานั้นเจริญในทางธรรมไปจนถึงการหลุดพ้น ได้ถ้าหากว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นเรื่องของชาญกับเรื่องของยานนะคะชาญมาก่อนแล้วค่อยเกิดยานติดตามรับฟังรายการสนนัญนิสนทนาในส่วนที่ท่านเป็นผู้ร่วมสนทนากับพระอาจารย์วันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะแต่ว่าท่านเพริญภูเนี่ยจะพบกับท่านฟังทุกๆ ท, ท, ท่านในเวลานี้คือตีห้าถึงตีห้าครึง่งทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าว สำหรับสัปดาห์นี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะพุทธวสวัสดีค่ะ